มันมีคํากล่าวหนึ่งที่นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เขานึงเขากล่าวไว้น่าสนใจมากนะเขากล่าวไว้ว่าไม่รู้อะไรจะน่ากลัวมากกว่าการระวังการเจอสัญญาณว่ามีสิมีชีวิตนอกโลกกับการไม่เจอเลยเพราะว่าถ้าเจอก็เฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมิตรหรือเปล่าหรืออย่างที่สองการไม่เจอเลยเนี่ยท่ามกลางความเงียบที่เราตะโกนออกไปเนี่ยมันมันหลอนเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเป็นชีวิตเดียวจริงหรอโดดเดียวอยู่ทามกลางทั้งหมด you're listening to the standard podcast The eye-opening experience for your ears. Day d e l o new a n physics podcast, science n d nerd, that will take you to n the world of physics เราพูดถึงเอเลียนนะคะในภาษาอังกฤษมันก็จะเหมือนกับเป็นคนต่างดาวเป็นคนแปลกหน้าเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเราเหมือนแทบจะไม่ได้ห่างไกลาจากมนุษย์ต่างดาวขนาดนั้นดูหนังกันมาตั้งแต่เด็กก็มีภาพในจินตนาการของมนุษย์ต่างดาวกันมาเยอะแยะเลยนะคะทีนี้ในทางวิทยาศาสตร์ในทางฟิสิกส์เนี่ยเขาคุยกันเรื่องมนุษย์ต่างดาวไปถึงไหนกันและในความเป็นจริงมันเป็นยังไงบ้างใ ด, ดในโลกโลนฟิสิกส์วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของมนุษย์ต่างดาวกันนะคะก็เช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัฐโรจิพนาค่ะ และผมอ่านว่ารงจันทมาศครับพี่ปองแปงเรื่องล่าสุดเอาไม่เรื่องล่าสุดและเรื่องที่เป็นภาพจําของมนุษย์ต่างดาวของพี่ปองแปงหนังเรื่องไหนภาพหน้าตามันมันเป็นยังไงคะผมว่าถ้าส่วนตัวนะภาพจําของหนังมนุษย์ต่างดาวสําหรับคนรุ่นผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเอเลี่ยนชื่อหนังคือเอเลี่ยนเลยค่ะเ อ, อทํามาหลายภาคด้วยแล้วก็ดังมากหลังๆก็เอามาสู้กับพรีเด เ, เตอร์อะไรเงี้ยครับหน้าตามันต้องมีความเป็น สัตว์ประหลาดหน่อยๆว่าพี่อ่าเป็นสัตว์ประหลาดเลยแหละไม่หน่อยฮะคือคือเป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆแล้วก็พิษมีภัยอย่างชัดเจนครับแบบมุ่งจะทําร้ายคนนะจะแบบใช่ไม่คุยไม่คุยเออเออทร้ายอย่างเดียวของของฟังมันมีอีกอีกอันนึงแต่ว่าเป็นหนังเก่ามากเลยนะมันมันชื่อเรื่อง AI ไเมื่อกี้เราคุยกันนอกลอว่าเออมันคือ AI แต่ว่าตอนจบของเรื่องไอเด็กผู้ชายคนเนี้มันไปเจอกับตัวขุนยนเด็กผู้ชายที่ที่ตามหาแม่ใช่และวไอตัว มนุษย์ต่างดาวก็มาเหมือนกับรื้อฟื้นแม่ขึ้นมาให้หนึ่งวันทีนี้ร่างของมันก็จะมีความแบบเป็นแสงแสงแต่ก็ยังมีหัวมีตัวอ ะ, อะไรอย่างนี้ อ, อยู่นะรูปร่างมันก็จะเป็นทิศทิศนั้นของมนุษย์ต่างดาวจริงๆแล้วไอ้ภาพพวกนี้นี่มันเราเอามาคุยกันได้ตามหลักความเป็นวิทยาศาสตร์บ้างไหมคะมันใกล้เคียงไหมคะคือถ้าถามว่ามนุษต่างดาวจริงๆนะฮะมันมีรูปร่างลักษณะ ในแบบหนังหรือการ์ตูนหรือเปล่าเนี่ยนะผมชวนให้คิดอย่างนี้ก่อนก็คือว่าปกติแล้วเวลามนุษย์เราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามักจะยึดโยงตัวอย่างที่เราเห็นแล้วก็ต่อออกไปในที่เนี้พวกหนังต่างๆเนี่ยหรือการ์ตูนนะครับอย่างการ์ตูนดักกอนบอล bon ก็จะมีมนุษย์ดาวนาเม็กอย่างเงี้ยเออตัวเขียวตัวเขียวตัวเขียวเขียว<ๆ>เออพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีโครงสร้างลักษณะที่ออนักวิทยาศาสตร์เขาค่อนข้างจะมองว่ามันคล้ายกับมนุษย์มากมากจนเกินไปด้วย หมายความว่าไงหมายความว่าพวกนี้อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีแขนสองข้างละ่ะขาสองข้าง <S <S มีหัวแล้วก็อวัยวะใช่ที่เป็นหัวบรรจุบรรจุหน่วยประมวลผลไว้ข้างบนอย่างเงี้ยอือแล้วก็มีอวัยวะรับอาหารอยู่ด้านหน้าที่เรียกว่าปาก อ, อวัยวะรับแสงก็ต้องอยู่ข้างหน้าด้วยที่เรียกว่าตาจะ ก, กี่รูก็ช่างแต่ก็ต้องมีอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี้ยมันค่อนข้างจะเหมือนกับมนุษ ย, ย์มากไปหน่อยแล้วกันค่ะจนเรียกได้ว่ามันเหมือนเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลโดยที่ ไม่ว่าหนังจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมันค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะต้องทำแบบนั้นเพื่อส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามั น, ม, นมันเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็มันแสดงอารมณ์ได้อะไรพวกนี้ถ้าต่างแบบสุดๆไปเลยเนี่ยบางทีมันเราเข้าไม่ถึงมันมากนะมันมีนิยายเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวบางเรื่องที่ตัวมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นเป็นแก๊สมาเลยก็มี เออแบบนี้ก็มีอันนั้นก็จะแบบโอ้โหเป็นกลุ่มแก๊สมาเลยแบบนี้ก็จะแบบมันอารมณ์ไหนอย่างไรมันมันสัมผัสยาก เ, ออเข้าใจออออแต่ก็ไม่ได้มีอะไรห้ามให้มนุษย์ต่างดาวไม่เป็นแบบนั้นอตอนนี้มันยังมันยังเปิดให้เราจินตนาการได้อยู่ใช่ไหมถูกต้องณนะปัจจุบันในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีใครค้นพบหลักฐานของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกเลยแ ม, ม้แต่หนึ่งหลักฐานไม่มีเลยเไม่มีเลย แปลว่าตอนนี้เรามาโนโกันโดยที่ยังไม่มีอะไรจับต้องได้ทั้งสิ้นมันพอจะจับอะไรบางอย่างได้อยู่นั่นก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราค้นพบเขาเรียกว่าสารอินทรีย์ฮะซึ่งชีวิตบนโลกเนี่ยเกิดขึ้นจากสารอินทรีย์นะร่างกายของเราเป็นสารอินทรีย์ไม้เป็นสาร C, อินทรีย์พวกนี้นะก็เราเจอสารอินทรีย์ที่อยู่นอกโลกเราแค่ยังไม่เจอสัญญาณชีวิตเท่านั้นเองอถามว่าเราถึงขั้นมือเปล่าเลยไหมไม่แต่ เรามาโนโจากแบล็กขนาดนั้นไหมผมว่าบางเรื่องค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีความสมจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นยุค ก, ก่อนหรือเอเรียนหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันค่อนข้างเป็นแฟนตาซีอยู่อนะแล้วถ้านอกจากหนังถึงแม้จะเรื่องเก่าแค่ไหนที่เราคุยกันเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงนักวิทยาศาสตร์เขาคุยกันเรื่องของการเหมือนค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือว่าการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่บนโลกกันตั้งแต่เมื่อไหร่ คือตั้งแต่เราคิดว่าโลกเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่มีความพิเศษสุดในเอกภพมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสถานที่จำเพาะที่จะต้องมีแค่ที่นี่นะฮะพูดง่ายๆคือมนุษย์ตั้งแต่ยุคของโคปนิคัสหลายร้อยปีก่อนเนี่ยก็เริ่มมีบางคนเชื่อบ้างแล้วว่าเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอื่นอยู่อยู่นอกโลกใบอื่นอย่างเงี้ยพอโอโคปนิคัสคือตั้งแต่ตอนที่บอกว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลาง ใช่ใช่ไหมคะใช่อพอโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของระบบสุริยะนะครับมันก็ไม่ใช่สถานที่พิเศษเมื่อไม่ใช่สถานที่พิเศษก็อาจจะมีโลกใบอื่นๆอยู่ได้แต่ในยุคนั้นเนี่ยความคิดพวกนี้เป็นแนวคิดที่เป็นปรัชญาเป็นแนวคิดที่ไม่มีหลักฐานรองรับเป็นจินตนาการที่อาจจะกล่าวได้ว่าแทบไม่ต่างจากแฟนตาซีที่เราดูหนังทุกวันนี้เพียงแต่ต้องยอมรับว่าเขาก็ถือว่าเปิดใจกว้างขึ้นว่าเป็นไปได้ที่ท ม, นมนุษย์อยู่โลกอื่น แต่พอมาถึงวันนี้เราก็จะเห็นหลายๆโครงการแบบว่าเราไปเยี่ยมเยือนดาวดวงอื่นๆมากมายหรือแม้แต่การไปดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ย ม, มันก็ยังไม่ได้ให้ข้อค้นพบอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเรายังไม่เจอชีวิตแรกเลยว่าว่านอกโลกของเราไม่ว่าจะเป็นในดวงจันทร์ดาวอังคารหรืออะไรที่ใกล้เราหรือไกลเราออกไปเรายังไม่เจอแต่อย่างที่บอกนะฮะว่าเดิมทีมันมีมันเป็นแค่การมโนของมนุษย์ว่ามันอาจจะมีนักแล้วก็คิด ไปเท่านั้นแต่มันเริ่มมีความเป็นวิทยาศาสตร์หลังจากที่มนุษย์เราเนี่ยเริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์แล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตลึกซึ้งขึ้นในระดับหนึ่ง mm hmm. น่าจะประมาณช่วงปีหนึ่งเก้าหกศูอะไรแถวๆนั้นนะครับ mm hmm. อย่างมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเลยเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยนะชื่อคุณแฟรงค์เดรกแฟรงค์เดรกเนี่ยสร้างสมการที่ใช้ในการคํานวณโอกาสการเจอมนุษย์ต่างดาวได้ว่าในเอกภพเนี่ ม, มีโอกาสมีโอกาสเจอมนุษย์ต่างดาวมากน้อย mm hmm. แค่ไห น, นคำนวณออกมาได้เลย โดยหลักการแล้วมันคำนวณได้<ฆ>แต่ว่าเราต้องค่อยๆหาข้อมูลมาเติมในสม ก, การนั้นทีละตัวทีละตัวจริงๆสม ก, การนี้ไม่ได้เอาไว้คำนวณโดยตรงแต่มันทําให้ทุกอย่างมีความจับต้องได้และเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะจุดแรกเลยเนี่ยคุณแฟรงเกิลเชื่อว่าชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมีพลังงานอ ม, มันต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างมาขับเคลื่อนให้ชีวิตนั้นดําเนินต่อนะฮะถ้ามันอยู่ในบริเวณที่เย็นจัดไม่มีแหล่งพลังงานอะไรเลยเนี่ย ชีวิตมันก็ไม่น่าจะดําเนินได้หรือมันอาจจะดําเนินได้ในแบบของมันแต่เราเชื่อว่ามันไม่น่าจะได้นะครับสมมุติฐานเนี้ยทำให้คุณแฟรงเด็กเชื่อว่าจุดแรกที่เราจะต้องมองหาชีวิตเนี่ยคือแหล่งพลังงานก่อนเลยแลแหล่งพลังงานที่ชีวิตจะใช้ได้อย่างยาวนานที่สุดก็คือดาวฤกษ์แล้วดาวฤกษ์แบบไหนจะเหมาะกับชีวิตอ่าตรงเนี้ยแล้วแต่ทฤษฎีละโดยทั่วไปทฤษฎีแบบป๊อปปเราก็จะเชื่อว่ามันน่าจะเป็นดาวฤกษ์ที่มีธรรมชาติคล้ายกับดวงอาทิตย์ของเราคือ อายุยืนยาวนะครับถ้าดาวเลิอกอายุสั้นก็คือมันดวงใหญ่มากๆระเบิดตู้ออกมาเงี้ยอยู่ไม่นานชีวิตก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นดํารงอรารยธรรมอะไรเงี้ยน้อยอถ้าดาวเลิอกอายุยืนกว่าดวงอาทิตย์มากแต่ว่าอัตราการแผ่พลังงานมันจะต่ํามากเลยแบบนี้ก็เหมือนได้รับพลังงานน้อยอย่างเงี้ยหรือพวกชีวิตมันต้องไปเข้าใกล้ดาวเคราะห์พวกนี้มากไปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมา แล้วอาจจะเชื่อว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะลองมองหาดาวฤกษ์คล้ายๆดวงอาทิตย์ไว้ก่อนค่ะอย่างน้อยๆดวงอาทิตย์ก็มีโลกของเราเป็นเป็นบ้านเอาไว้ของของพวกเราอะนะฮะโคจรอยู่เหมือนหาเหมือนหาสภาพแวดล้อมที่มันใกล้เคียงกับที่โลกเราอยู่ใช่และและมันไม่ใช่แค่นั้นคือดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์ทั่วๆไปด้วยไม่ใช่ดาวฤกษ์สุดสุดโต่งทางใดทางหนึ่งนะเป็นดาวฤกษ์ทั่วไปที่แบบเหมือนมองไปทางไหนก็เจออะไรกันมีโอกาสเจอได้ใช่มีโอกาสเจอได้สูงนะคะ แล้วมีปัจจัยอื่นใช่ไหมคะที่เขาแอดเข้ามาในสมการนี้ปัจจัยที่2ก็คือบ้านน ะ, ะเราเชื่อว่าดาวฤกษ์เนี่ยแม้จะเป็นแหล่งพลังงานให้สิ่งมีชีวิตแต่มันอาจจะไม่ใช่บ้านที่ดีของสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตไม่น่าจะไปอยู่บนดาวฤกษ์นั้นได้ถามว่าทําไมคําตอบคือเพราะมันร้อนไปแล้วร้อนไปไม่ดียังไงเราอาจจะเถียงว่ามันวิวัฒนาการขึ้นมาท่ามกลางความร้อนนั้นไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ยคาตอบขึ้นมันอาจจะได้แต่มันโอกาสมันต่ําเพราะว่าดาวฤกษ์เนี่ย มันร้อนพอมันร้อในความเปลี่ยนแปลงมันรุนแรงรวดเร็วมากมากจนแทบจะไม่สามารถสร้างโมเลกุลที่มันเสถียรนานๆได้คือชีวิตมันควรจะมีความเสถียรภาพไม่ใช่แบบเกิดมาสองวิตายสองวิตมันพูดยากที่จะมันเกิด evolution ในในเชิงชีววิทยาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็โครงสร้างต่างๆในโมเลกุลดาวฤกษ์เนี่ยมันมันมีความเป็นแก๊สเป็นอะไรเงี้ยฮะซึ่งแก๊สเนี่ยมันเบาบางมากเนื่องออกไหมครับความเบาบางเนี่ย มันทำให้เราค่อนข้างจะเชื่อว่าโอกาสมันต่ำมากที่มันจะสร้างโครงสร้างที่มีความสลับซับซ้อนของชีวิตชีวิตมันควรจะมีร่างกายที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนระดับหนึ่งนะฮะสลับซับซ้อนจนกล่าวเลยว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยของชีวิตอะไรอย่างแม้แต่แบคทีเรียก็ยังซับซ้อนน ะ, ะแต่ว่าต้องมีต้องมีบ้านที่เหมาะสมแล้วสภาพของบ้านมันมันมีองค์ประกอบอะไรที่สามารถที่จะเกิดชีวิตขึ้นมาได้ค่าคถามนี้ดี ก่อนจะไปถึงตรงนั้นบ้านเนี่ยก็คือดาวเคราะห์เนา ะ, ะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่นักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์พยายามมองหาอย่างจริงจังมากตอนนี้ก็คือหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะให้เจอให้มากที่สุดก่อนอพวกนี้เป็นคันดิเดตบ้านทั้งของสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์ต่างดาวและอาจจะกลายเป็นบ้านของมนุษย์ในอนาคตอันไกลโพ้นได้ทางนั้นนะครับ อ, อย่างตอนนี้เนี่ยเราเจอไปแล้วประมาณ4 5,000 ดวงนะครับณนะตอนนี้เยอะมากนะซึ่งจริงๆต้องบอกว่า ส่วนตัวผมกลับรู้สึกว่ามันน้อยมากมันเยอะม เ, ยเมื่อเทียบกับ ค, คือมันเยอะเมื่อเทียบกับความรู้เมื่อประมาณ5 50ปีก่อนถูกต้องเดิมที50ปีก่อนเราแทบจะไม่เจอบ้านเหล่านี้เลยเราเจอในหลัก10ดวงหรืออะไรเงี้ยแล้วจู่ๆมันปรูดขึ้นมาเป็น45่0 0าดวงพวกนี้ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีรวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ ค, คำนวณอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เยอะจริงแต่ถ้าเทียบกับกาแล็กซีทางช้างเผือกที่มันมีดาวฤกษ์อยู่แสนล้านดวงแล้วเราเจอไปแค่5000ดวง เพราะว่ามันยังน้อยมากเมื่อเทียบกับความเป็นจริงที่เป็นไปได้ออนะืแล้วแคนดิเดตพวกนั้นติ๊กถูกติ๊กออกอยังไงคะอะไรคือใช่อะไรคือเฮ้ยตัดทิ้ง อ, อตอนนี้เราไม่กล้าพูดว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่แล้วแต่แบบจําลองแต่ถ้าดวงไหนที่มีโอกาสที่เรียกว่ามีโอกาสมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากที่เขาเชื่อเชื่อกันนะครับเราก็ค่อนข้างจะเชื่อว่ามันน่าจะมีองค์ประกอบที่เป็นดาวเคราะหินก็นแล้วกันคือมีพื้นเป็นหินนะ่ะออื ถ้าเป็นพื้นเป็นแบบดาวพรหัสเป็นแบบเป็นของไหลอย่างเงี้ยก็ ย, ยังไงมันจะอยู่ยังไงเรานึกภาพไม่ค่อยออกแต่ก็ไม่เที่ย ว, ว่าเป็นไปไม่ได้นะครั บ, ค, รบคือตอนเนี้เราไม่กล้ารูเอา้าหรือตัดอะไรทิ้งทั้งสิน้นเราแค่พูดในแบบจําลองหรือความเชื่อว่าอันไหนเป็นไปได้มากอันไหนเป็นไปได้น้อยตามสมมติฐานของเราแต่สิ่งที่เราค่อนข้างมั่นใจคือเราอาจจะเชื่อได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยจะต้องใช้ร่างกายเนาะและร่างกายเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเป็นคาร์บอนเบสอ สารอินทรีย์ที่เร า, เาสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาบนโลกแทบทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นคาร์บอนเบสหมดะนะครับหมายความว่ามือเราร่างกายเราพืชหรืออะไรก็ตามเผาออกมาได้ฐานซึ่งเป็นคาร์บอนหมดเลยคือแกนกลางของสารอินทรีย์เป็นคาร์บอนถามว่าทําไมต้องเป็นคาร์บอนเพราะว่าคาร์บอนเป็นธาตุหมู่4ี่แตารางธาตุมีประโยชน์อเพราะว่า ค, คืนคืนครูไปหมดล้ครับผมเอาเป็นว่าคาร์บอนเป็นธาตุหมู่4ีธาตุหมู่สี่เนี่ยมันจะมีแขนออกมาได้สี่ข้าง เอาไว้จับกับชาวบ้านซึ่งการที่มีแขนสี่ข้างเนี่ยมันสามารถทํามันต่อกันยาวมากขึ้นทางไหนก็ได้ ม, มันมีโอกาสในการต่อเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนได้มากกว่าวธาตาุมหมู่อื่นๆอะไรงี้ก็แล้วกัน อ, อนะแปลว่าที่บ้านต้องมีคาร์บอนน่าจะต้องมีคาร์บอนใช่คำํำเด่นแล้วก็องค์ประกอบที่เป็นสารของเหลวที่ช่วยในการลําเลียงก็น่าจะเป็นน้ำํำถามว่าเป็นของเหลวอื่นได้ไหมเป็นแอลกอฮอล์ได้ไหมเป็นมีเทนเป็นอะไรได้ไหม เป็นได้แต่หนึ่งเลยคือเราเห็นว่าโลกเราอะสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ใช้น้ําเป็นตัวลําเลียงสารแล้วที่สําคัญน้ํามีคุณสมบัติข้อนึงที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบแล้วมันสําคัญมากต่อวิพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือน้ำเนี่ยเป็นสารไม่กี่ชนิดในเอกภพนะครับไม่ใช่ในโลกนะทั้งเอกภพเนี่ยสารมีไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่พอมันแข็งแล้วเนี่ยมันจะขยายตัวปกติของเหลวพอกลายเป็นของแข็งมันจะหดทั้งหมดเลย แต่น้าเนี่ยพอกลายเป็นน้ําแข็งครับลองเอาน้ำใส่ช่องแข็งนะ น, น, น้ำที่เป็นของเหลวเอาไปใส่ช่องช่องแข็งช่องฟรีดอะครับจะเกิด อ, อะไรขึ้นมันก็แข็งแล้วมันจะขยายจนขวดเนี่ยปริแตกได้นะไอการขยายตัวของน้ำเนี่ยฟังดูเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ธรรมดาเลยมันประหลาดมากแต่เอาเป็นว่าน้ำมีคุณสมบัติข้อนี้อยู่แล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับชีวิตรู้ไหม อุณหภูมิของดาวเคราะห์อย่างโลกเรามันไม่ได้สถียิลภาพตลอดเวลานะครับมันจะมีบางช่วงที่ร้อนกว่าปกติแล้วบางช่วงก็เย็นกว่าปกติไอ้ช่วงที่เย็นกว่าปกติเนี่ยน้ําในทะเลสาบแข็งได้ถูกไหมอืมและในช่วงที่ชีวิตเกิดขึ้นมาในยุคแรกๆและชีวิตอยู่ในน้ําเนี่ยนะครับถ้ามันเย็นแล้วมันควบแน่นเข้าความเย็นพวกนี้จะทําให้น้ําแข็งเนี่ยจมลงไปข้างล่างแล้วมันก็แข็งจากข้างล่างขึ้นมาอื แล้วสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบเหล่านั้นก็น่าจะตายหมดอนึกออกไหมฮะแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นน้ําเนี่ยโชคดีที่พอแข็งแล้วมันขยายตัวแล้วมันลอยสูงขึ้นเป็นฟิล์มเป็นแผ่นน้ําแข็งอยู่ข้างบนตรงเนี้เป็นเหมือนฉนวนไม่ให้ด้านล่างมันแข็งต่อได้ง่ายนัดสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างล่างเนี่ยหรือปลาเลยนะมันยังอยู่ได้ยังผ่านพ้นหน้าหนาวอันทุกทรมานเหล่านั้นได้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยค่อนข้างเชื่อว่าน้ําเนี่ยมีโอกาสสูงนะฮะ ไม่ใช่ร้ออเ็อย่างที่บอกมีโอกาสสูงที่จะเป็นส า, สารล้ำเลียงในร่างกายสิ่งมีชีวิตดาวอื่นถ้ามันมีมแปลว่ า, าที่หนึ่งคือใกล้มีมดาวฤกษ์กแล้วก็หาบ้านดาวเคราะห์ที่มีคาร์บอ น, บอนแล้วก็มีน้ำที่เหลือก็ต้องดูว่าดาวเคราะห์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพอมีองค์ประกอบแล้วอ่ะมันมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับชีวิตที่จะเกิดหรือไม่ มีองค์ประกอบครบไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดนะค่ะถูกไหมครับเหมือนผมเอาอะไรอ่ะเอาเหล็กเอาอะไรมาเลากองรวมกันนะครับมันไม่ได้จู่ๆเหล็กพวกนี้จะเกิดบ้านขึ้นมาหรือเกิดเป็นเครื่องบินเจ็ตขึ้นมาให้เรา ม, มันต้องมีวิศวกรมีอะไรหรือมีองค์ประกอบอะไรสักอย่างเป็นอินเกเดียนสําคัญไปสร้างให้มันเกิดขึ้น อ, นะ อ, อค่ะแต่น่าเสียดายที่ทุกวันนี้เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตแรกบนโลกเกิดขึ้นยังไงนะคือไม่รู้ว่ากระบวนการก่อนจะมาเป็นแบบว่า สิ่งมีชีวิตที่หนึ่งคืออะไรถูกต้องเราไม่รู้ว่าน้ำปรถมการของสิ่งมีชีวิตบนโลกเลยอะอเซลล์แรกอะเกิดได้ยังไงเราไม่รู้ตอนนี้เราเราไปตันตรงข้อนี้แล้วว่าชีวิตแรกบนโลกเกิดยังไงแล้วมันคื อ, ค, อคืออะไรนะอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออะไรเนี่ยเราพอจะคลําไปได้มากพอสมควรเราเจอสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ระดับเป็นพันล้านปีแล้วเป็นแบคทีเรียที่ ที่เก่าแก่มากเรียบง่ายมากแต่เราไม่รู้ว่านั่นเป็นชีวิตแรกหรือเปล่าเราไม่ชัวเราอาจจะเจอเก่ากว่านั้นจะเจอเก่าเนี่ย ก, ก็โอเคฮะมันต่อให้เราเจอสิ่งมีชีวิตตัวนี้แล้วฮะแล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแรกแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าชีวิตแรกตัวนี้มันเกิดจากอะไรเงื่อนไขแบบไห น, นทําให้มันเกิดขึ้นเราไม่ชัวถ้าเราชัวจริงเราต้องสามารถเซตอัพแ l a ขึ้นมาแล้วก็สร้างชีวิตขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้ เรายังทําไม่ได้ทุกวันนี้สิ่งมีชีวิตล้วนแล้วแต่อาศัย DNA พ่อแม่ผูกญาตาิยายแล้วก็ดํำลงเผ่าพันธุ์ด้วยการสืบพันธุ์หรือแบ่งตัวอย่างเนี้อยู่คือ ม, มันต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตก่อนมาเรื่อยๆเราไม่สามารถสร้างแบบอ่ะเอาสารอะไรไม่รู้มาผสมกันเขยา่าคลุกๆตเติมไฟเติมอะไรปุ่มออกมาเป็นเซลล์เรายังทําแบบนั้นไม่ได้เนี่ยยังเป็นความลับที่ที่ผมว่ามันเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดทางวิทยาศาสต ร, ร, ร์นะ จะบอกว่าทางฟิสิ ก, กส์ด้วยก็ได้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยก็ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าชีวิตแรกเกิดมาได้ยังไงอดังนั้นไอ้คําว่ามนุษย์ต่างดาวที่เราคุยกันวันนี้เราไม่ได้จินตนาการว่ามันจะต้องแบบเป็นรูปเป็นล่างเป็นอะไรขึ้นมาหรือว่าสื่อสารได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นเซลล ป, ป็นแบคเรยเออแบบที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นนับหนึ่งของการที่จะวิวัฒนาการต่อไปเป็นอย่างอื่นใช่ฮะและเป็นไปได้ด้วยซ้ําที่มันจะไม่ใช่คาร์บอนเบสมันอาจจะมีร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุมู่4ที่อยู่ใต้คร์บอออนนืซิิล คือมันอาจจะต่างไปจากตัวมนุษย์เราสุดๆไปเลยพูดถึงมนุษย์ต่างดาวต้องพูดถึง UFO การแบบว่าเดินทางมาเจอกันบนโลกแล้วก็เห็นวัตถุต่างๆบนท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันจับต้องได้ในทางวิทยาศาสตร์มากแค่ไหนคะผมถามให้มันให้มันชัดเจนไปเลยก็แล้วกัน UFO เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมของการการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวไหมคําตอบคือไม่เพราะอะไรคะ เพราะว่า UFO ส่วนมากแล้วเนี่ยภาพถ่ายส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ UFO ถ้าไม่ใช่ UFO ของเล่นที่ถ่ายหลอกๆ ก, กันนะครับก็เป็น p h o t o s h อ p หรือวิธีการแต่งรูปแต่เราตัดเรื่องหลอกลวงทิ้งก่อน UFO จำนวนมากเลยเนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดของคนเวลาถ่ายรูปบางทีก็ถ่ายไปติดเมฆที่มีลักษณะคล้ายกับจานบินแล้วก็บอกว่าโอ้ย UFO บางทีก็ถ่ายไปติดนกที่มันบินเร็วมากแล้วแวบเข้ามาคื <"U FO" S 2> อยูเอฟโอบางทีถ่ายติดสถานีอวกาศนานาชาติแล้วบอกเป็น UFO บางทีถ่ายติดแฟลร์หรือปรากฏการทางแสงอะไรบางอย่างแล้วเราก็ข้ามไปสรุปเป็น UFO ทันทีนึกออกไหมครับคือเวลาเราเจออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่เนี่ยการจะไอดีนติฟหรือแยกแยะได้ว่ามันคืออะไรมันจะต้องมีหลักฐานพยานแวดล้อมอีกเต็มไปหมดว่ามันคืออะไรแล้วก็ตรวจสอบอย่างรัดกลุมรวมทั้งหาความเป็นไปได้อื่นๆและ เมื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายยูเอที่เขาบอกว่ามันเป็นยูเต่างๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันมันเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ยูเอฟอแต่แต่อย่างนี้มันมีความพยายามในการที่จะติดต่อสื่อสารหรือว่าอะไรอย่างี้ไหมคะอันนี้ข้ามชอ็อตไปนะถึงแม้เมือ่อกี้เราจะคุยกันแล้วว่าแบบเออมันยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เจอแบบจับต้องมันชิ้นเป็นอันแต่ในความเป็นจรงิงมันมีความพยายามของมนุษย์เราไหมที่จะแบบติดต่อสื่อสารอ๋อแน่นอนอ ม, มนุษย์เราเนี่ยค่อนข้างอยากจะ อยากจะหามนุษย์ต่างดาวเจอเราอยากไปรู้ว่ามันเขามีอยู่ไหนอย่างไรอยู่ที่ไหนอย่างไรอะไรพวกนี้ครับในยุคที่มีการสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุได้แล้วก็สร้างเครื่องส่งสัญญาณวิทยุได้แล้วก็ปล่อยสัญญาณวิทยุออกไปแล้วก็บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ชัดเจนเลยทำแผนที่อะไรอยู่ในนั้นหมดเลยว่าโลกเราอยู่ตรงไหนอย่างไร ถ้ามีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอื่นสร้างเครื่องลับสัญญาณวิทยุได้เขาก็จะตรวจจับเจอแล้วก็อาจจะมามหาเราได้ในอนาคต ม, มีความพยายามแน่นอนยานอวกาศอย่าง Voyager ก็มีการบรรจุเอาข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ไว้ในยานอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เออน่าตื่นเต้นนะพอคุยแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็เหมือนมีความเป็นไปได้อยู่อยู่ในนั้นมากมายเต็มไปหมดเลยเนาะคือมันมีความเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตณนะพิภพอื่นเนี่ยจะถือกําเนิดขึ้น เราแค่ยังไม่เจอและหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่เราเห็นแน่ๆคือมันมีความพยายามที่คนเราจะออกไปใช้ชีวิตในที่อื่นที่ไม่ใช่โลกอะไร<ช>อย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบอีลอนมัสก์ก็จะพูดว่าเฮ้ยดาวอังคารเป็นบ้านเป็นบ้านในอนาคต อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ผมว่าดาวอังคารมีความเป็นไปได้สูงกว่าดาวอื่นก็แล้วกันแต่มากแค่ไหนอ่ะอันนี้ก็ต้องถามคุณอีลอนมัสครับต้องรายการต้องเชิญอีลอนมัสมานะยังไงต้องเชิญให้ได้นะครับแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ส MM> ิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เราเนี่ยจะไปอยู่ที่ดาวดวงอื่นได้ใช่ไหมคะได้ก็ถ้ามันมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมคือดาวอังคารเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสที่เป็นไปได้สูงที่สุดนะเพราะหนึ่งเลยมันไม่ร้อนไปมันแค่เย็นไป เลือกระหว่างนรกที่ร้อนกับเย็นไปเนี่ยผมว่าเย็นไปเนี่ยน่าจะน่าจะไม่เลวนะอสอคือดวงคารนี่แรงโน้มถวม่วงมันน้อยกว่าโลกมากไปหน่อยแต่ก็น้อยกว่าก็ยังดีกว่ามากกว่าไอ้ตรงนี้ก็ค่อยว่ากันอาจจะต้องออกกําลังกายหรืออะไรไปนะครับแล้วอย่างที่3ก็คือดวงคารเนี่ยมันไม่มีอากาศไอ้เรื่องนี้เราอาจจะอยู่กันแบบปะทองคือครอบโดมขึ้นมาได้ตรงนี้เขาก็ดีไซน์กันคือมันมีโอกาสที่ที่จะไปอยู่ได้แล้วก็ดวงคารเนี่ยมันมี1วันที่ใกล้เคียงกับ1วันบนโลกด้วย หมายความว่าดวงอาทิตย์ขึ้นตกบนดาวอังคารเนี่ยมันจะไม่หนีบนโลกมากนะไอ้ตรงนี้สําคัญกับวัฏจัจกรชีวิตมนุษย์มากเลยไม่ใช่กลางวันยาว400วันอย่างเงี้ยต่อให้อยู่ได้นะจะอยู่ไหมอ่ะ ม, มันนาฬิกาชีวิตพังหมดครับแต่ว่ามันมีความใกล้เคียงที่สุดและเท่าที่ผมมองใช่แล้วก็คุณอีลอนมสัสก็คงจะแร ง, งเห็นตรงนั้นส่วนโอกาสจะเป็นไปได้มากแค่ไหนตรงนี้ผมผมไม่กล้าฟันธงนะว่ามันจะเกิดขึ้นในเร็ววันหรือเปล่าแต่ดูจากความมุ่งมั่นของเขาแล้วผมว่าเขาก็เอาจริงพอสมควรนะ คุยกันมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าเออเราเรามีทั้งมีความพยายามที่อยากจะไปใช้ชีวิตนอกโลกในวันนึงเราอาจจะกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวของกันและกันเองเนะ<ม>แต่ว่าในอีกมุมนึงอ่ะตลอดทางนั้นเราก็ยังไม่หยุดนะที่จะที่จะค้นหาว่ามัน ม, มีไหมไอ้สิ่งมีชีวิตอื่นหรือว่ า, าติดต่อสื่อสารอะไรเงี้ยวามรู้สึกว่าเออเราคนเรานี้ก็ค่อนข้างแบบ พยายามหรือเรียกว่าหมกปุ้นเลยก็ได้นะในการที่จะแบบศึกษาหรือว่ารู้เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวคะ่ะในมุมของพี่ป่องแปงมองเรื่องนี้ยังไงทําไมทําไมคนเรายังไม่เลิกละที่จะหาสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกผมผมมองว่ามันไม่ใช่แค่มนุษย์ต่างดาวนะมนุษย์เราอะมีไฟบางอย่าง ท, ที่ที่เผาสว่างอยู่ในจิตใจเสมอคือความสงสัยใครรู้เราสงสัยใครรู้ไม่ใช่แค่เรื่องมนุษย์ต่างดาวเรายังอยากรู้ว่าเอกพภพเป็นยังไงทั้งที่มันอยู่ไกลมาก เรายังอยากรู้ธรรมชาติของสิ่งที่เราอาจจะไม่มีวันได้เข้าไปใกล้ในชีวิตอย่างหลุ่มดาเราอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอนุภาคที่เล็กมากๆในระดับยิ่งกว่าอะตอมเราอยากรู้อะไรต่อมีอะไรเหล่านี้เต็ไมไปหมดนะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของของไฟแห่งความสงสัยในในวิญญาณมนุษย์ที่ที่มันมีมนุษย์ต่างดาวก็เป็นด้านหนึ่งนะแต่ทีนี้การที่เรายังไม่เจอมนุษย์ต่างดาวเลยเนี่ยมัน มันมีคํากล่าวหนึ่งที่นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขากล่าวไว้น่าสนใจมากนะเขากล่าวไว้ว่าไม่รู้อะไรจะน่ากลัวมากกว่ากันระหว่างการเจอสัญญาณว่ามีสิมีชีวิตนอกโลกกับการไม่เจอเลยทั้ง2ล้วน t e r ร์ริฟายเขาใช้คํำนี้ขึ้นมาเราว่าถ้าเจอก็เฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมิตรหรือเปล่าหรืออย่างที่2การไม่เจอเลยเนี่ยท่ามกลางความเงียบที่เราตะโกนออกไปเนี่ยมันมันหลอนเหมือนกันว่า เฮ้ยเราเป็นชีวิตเดียวจริงเหรอโดดเดียวอยู่ก<ช>างกางทั้งหมดอืมคอมค่ะก็วันนี้คิดว่าหลายๆคนได้ฟังมุมมองแล้วมันก็ยังมีหลายๆอย่างที่ที่ยังเป็นเหมือนกับข้อที่ต้องค้นพบกันต่อไปข้อที่ต้องพิสูจน์หาข้อมูลศึกษากันต่อไปในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวไม่ว่าไกลออกไปจากสตูดิโอแห่งนี้อีกมากมายมันจะมีบ้านหลังอื่นๆของไม่ได้ว่ามนุษย์ก็ได้เรียกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีอกหรือเปล่าก็ พอถึงวันนั้นเราคงจะได้ตื่นเต้นกับข้อมูลใหม่ๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็จนกว่าจะถึงวันนั้นนะคะเรายังมีใดๆในโลกโล้นฟิสิกส์อีกหลายตอนให้ทุกคนได้ติดตามฟังกันนะคะก็อย่าลืมติดตามเรานะคะได้ทุกๆพอดแคสต์เพลเยอร์นะคะแล้วก็กด Subscribe YouTube ของ The Standard Podcast ด้วยกันนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast I Opening for Your Ears